ฟังตามต่อมีผู้ฟังมีผู้พูดฟังรมฟังเรื่องของตัวเรานี่เรื่องตัวเรามก็มีหลายอย่างถ้าทาตามที่พระเจ้าสอน ก็จะได้เรียนรู้เรื่องตัวเราในจบได้ถ้าไม่เรียนรู้ก็จบไม่เป็นความหลงก็หลงจนตายความทุกข์ก็ทุ ก, กขก์จนตายความโกรธก็จกรจนตายเจ้าเรียนของตัวเราไปเลยความเกลียดเกลียตาย เป็นสิ่งที่ผูกขาดกับชีวิตเราไปเลยเราก็ยอมจำน้นเดี๋ยวถ้าเราทำตามพี่พระเจ้าสอนแล้วก็จบลงได้เหนือการเกิด เ, เจ็บตายไ ด, ได้ชีวิตของเรามันมีรูปมีนามมีกายมีใจก้อยใจนี่ ถ้าใช่ผิดก็ผิดถ้าใช่ถูกก็ถูกถ้าใช่ผิดก็เป็นทุกข์เป็นโทษถ้าใช่ถูกก็เป็นประโยชน์จงหัดเปิดขาดปฏิบัติเพื่อใช่กายใช่ใจดูแลกายใจของตัวเองมีสติเป็นดวงตา มีสติเป็นดวงตาเป็นพิตังตามวิชากรรมฐานกรรมฐานคือการกระทำให้มีเจ้าของดูแลกายใจจะให้กายมันเถื่อนอย้าย ใ, ใจมันเถื่อน มันแสดงมาทางกายก็มีสติรู้ทันมันและหลายอย่างมันแสดงมาทางจิตใจก็มีสติรู้ทันมันให้เป็นความรู้ไปเกี่ยวข้องกับกายให้เป็นความรู้ไปเกี่ยวข้องกับจิตใจเกิดเลยขึ้นกับรู้หมดมรู้สึกตัวหมดได้เห็น ได้เห็นสิงที่มันเกิดขึ้นก็ ถ, ถึงความรู้ก็จบรู้แล้วนี่คือความไม่เที่ยงนี่คือความเป็นทรุกนนี่คือความไม่ใช่ตัวตนนี่คือความโกรธนี่คือความหลงนี่คือความทุกข์รู้แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่รู้ เมื่อมนหลงหลายข้างหลายหวนก็รู้หลายข้างหลายหวนก็จบลงได้มันจะได้บทเรียนถ้ามันมีทุกข์ก็รู้มันจนมันทุกข์ข้างที่มันเกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งกายทั้งใจเราก็รู้ทันมันทุกข์ข้างแล้วก็ไปไม่ได้ถ้าเหนื่อความรู้สึกตัวเราไม่ไปไหนไม่ได้มันจบแค่ความรู้สึกตัวลง จบลงที่ความรู้สึกตัวอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจมันจบลงที่ความรู้สึกตัวอย่าปล่อยทิ้งนี่คือหลักกรรมบัณฑ์ได้เห็นสิ่งที่มันแสดงออกทั้งกายทั้งใจเรา ในความรู้ก็มาในความหล ง, หลงก็มาพ่อมกันกับความไม่หลงในความทุกข์ก็มาพ่อมกันกับความไม่ทุกข์ถ้ามีสติได้ปฏิบัติการปฏิบัติก็เปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกนั้นเปลี่ยนได้ทั้งหมดสิงที่มันเกิดขึ้นเกิดไปกับ ใ, ใจเราเนี่ย เราไม่ไปเราอาจจะไม่ได้อยู่ในอริบทเดือนยังกลมนั่งสร้างจังหวะนั้นเกิดขึ้นเวลานหน่อยก็มีสติเราฝึกไว้แล้วมีสติรู้ทันมนันได้ใช้สติถ้ามีสติก็ได้ใช้สติถ้าไม่มีก็ไม่ได้ใช้จึงต้องมีสติเป็นเจ้าเรือนไว้ก่อน เป็นสิทธิที่จะโตอตอบทักท่วงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเรามาเราจะมาเข้ามาดูอุ่นใจถ้ามีสติมีธรรมจได้เหมือนคนอยู่เป้าบ้านสิทธิของเจ้าของบ้านก็มีสิทธิ โดยชอบทำแม้แต่โจรผู้ลอยเหนเด็กมันก็กลัวว่าเป็นเจ้าของบ้านนี่ทำที่เป็นอกุศลที่มาเกิดกับกายกับใจเราถ้ามีสติมันก็กลัวอ้สติ มีธรรมเกิดขึ้นมากมายถ้ามีสติเพราะสตินี้เป็นงานดาของธรรมทั้งหลายที่เป็นธรรมนี้เป็นกุศลเราจึงมีสติเป็นเอาที่ต้องเอาไว้หัดไหว้ฝึกไหว้เมื่อฝึกหัดไหว้มันมีเราก็เลยใช่ เลยใช้สติในมันยิ่งงดยิ่งงามไม่เหมือนการใช้เงินใช้ทองยิ่งใช้เท่าไรก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจํานานมากขึ้นเป็นศาสตร์เป็นสินมากขึ้นไวมากขึ้นมาไวที่สุดไม่มีเลยจะไวเท่ากับสติที่ใช้บรรยากาศในใจนากรนั่นอื่นหมด ถ้าหัดช้าไม่หัดก็ช้าเลยไม่มีใช่เลยหลหลงไปเจ้าเรือนความทุกข์เป็นเจ้าเรือนจิตเดชตนาเป็นเจ้าเรือนก็เลยกลายเป็นิตนิสัยไปได้แต่ถ้าเราหัดแล้วมันก็เมื่อคนมีความรู้คนไม่มีความรู้ มีปัญญามันทํามันมีให้เราใช่มีศีลทําไมเราไม่มีศีลใช่มีสมาธิทําไมมีสมาธิใช่มีปัญญาทําไมมีปัญญาใช่ต่อไปต่อไปศีลจะช่วยเราสมาธิจะช่วยเราปัญญาช่วยเราแต่เราแต่ก่อนเราใช่ให้มีสติ เราประลสึกเห็นเห็นได้ใช่สติเห็นหลงนี่ได้ใช่สติไม่เป็นผู้หลงนี่ได้ใช่สมาธิพ้นจากความหลงเป็นปัญญาสิ้นสมาธิปัญญาเป็นเครื่องทำให้เกิดการหลุดพ้นทุกอย่างที่เกิดสากปากับใจเราดี กระวนการสีเร่เดนใสุขติงงันติสีเโืภกะสัมบัาสีเหนิปุติงงัญติว่าไปถึงมรรคถึงผลคือนี่หลงเห็นมันหลงรูส้สึกตัวเนี่เหตนเกิดขึ้นตรงนี้แล้วต่อไปถ้าเห็นอย่างนี้เห็นหลงอย่างนี้มันก็ไม่เป็นผู้หลงเด็ดขาด เป็นสมาธิไม่เด็ดขาดมั่นใจเด็ดขาดมั่นใจเด็ดขาดเมื่อเราเห็นงูมั่นใจไม่ให้งูกัดเด็ดขาดจะต้องเหงาทีหลบปลีกให้เป็นสมาธิปัญญาก็หนีพ้นได้แล้วไปให้พ้นแล้วพ้นแล้วเห็นอะไรที่ไม่เป็นพี่เป็นไปหลุดพ้นทุกอย่าง ศีล ส, สมถิปัญญาพาให้เราได้เกิดการหลุดพ้นขึ้นตาเราพยามใช้อย่าเรียบด่วนรับด่วนปฏิเสธเดี๋ยวนี้เราไม่มีสติเป็นเจ้าของเอาทุกอย่างอะไรมาก็เป็นไปทุกอย่างสุขก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์โกรธก็เป็นโกรธ ีใจเฉื่อยใจอัน <clears throat> <c oughs> นี้ก็เห็นไม่เป็นเนี่ยดูสิแต่ก่อนมันเป็นแต่นี้เห็นไม่เป็นมีจิติเห็นกายมีจิติดูกาย เห็นใจมาคิดถ้าเห็นเราก็ปลอดภยัยถ้าเป็นเราก็ไม่ปลอดภยัยแต่ดูกายดูคือดวงตาเห็นคือสติปัญญาจึงให้มีลักษณะนี้ไปจำชีวิตของเรา ดูแลกอคยใจให้มืนคุ้มให้ไม่มีโทษมีภยัยอย่าให้มีพิษมีภยัยเกิดเคลื่อนที่กายที่ใจเรามั่นใจที่สุดไม่มีอะไรจะมั่นใจเท่ากับมีสติดูกายดูใจอย่าชำ น, นันศาสตร์เป็นศุนขึ้นมาอะไรที่มาเกิดกับกายกับใจนี่เป็นความสะดวกในความรู้สึกตัว ไอถึงสุดจุดหมายปลายทางคือเห็นไม่เป็นเมื่อสะดวกมนจำนางเราเห็นไม่เป็นนี่แต่เห็นไม่เป็นกับอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเป็นความสะดวกแต่ก่อนมันไม่สะดวกเป็นไปกับทุกอย่าง ขวงกันทุกอย่างสุขก็ขวงกันทุกข์ก็ขวงกันอกรถสุนละธรรมทั้งหลายขวงกันไม่ถึงความไม่เป็นไปไม่ถึงความไม่เป็นมีแต่เป็นเป็นไปทุกอย่างเป็นสุขเป็นทุกข์คนดุจใจเสียใจเป็นผู้ได้ผู้เสียผู้ผิดผู้ถูกผู้แพ้ผู้ชนะเป็นตัวเป็นตนไปหมดก็เลย ไม่มีอะไรหลดพ้นไม่มีผ่านไปมีแต่ขวางหน้าเอาไว้จนจนต่ออกขุศลลมาถมขวางไว้มั่ก็มีอำนาจถ้าเราไม่ศึกษาไม่มีอำนาจบังคับเรารับใช้มัน ต่างทั้งที่ไม่ถูกต้องก็รับใช้ความโกรธไม่ถูกต้องก็ยังพากันโกรธความทุกข์ไม่ถูกต้องก็ยังพากันทุกข์น่าเสียดายตรงนี้ถ้ามาชำนาญละมันเป็นมันเป็นางานที่ก้านชอบจริงๆเยนหลงเป็นรูปเป็นการงานชอบมามันจะเกิดขึ้นข้าวไดก็ เราอยู่นี่เวียนนั่งเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเป็นการรักษาชีน้นเป็นการปฏิบัติทำเป็นการทําบุญเราเราที่เกิดจากบุคคลอยา่างนี้หลายอยา่างว่าแต่เชิงไหนที่มันเกิดกับว่ากับใจมาเป็นความไม่ดีเปลี่ยนเป็นเป็นดีเปลี่ยนไม่เป็นตัวลู่ทั้งหมดนี่เป็นงานชอบที่ชุด นั่งอยู่โดนอยู่นอนอยู่ที่ไหนก็ทำแต่ความดีได้เพราะมันมีความดีอยู่ที่กายที่ใจเราดีแต่ความดีบังเกิดกับที่เกิดขึ้นกับากายกับใจของคนแล้วมันก็ไีดีไปอีกหลหยอยางมีดีเกิดขึ้นหลออย่างมากมายเป็นประโยชน์เกื้อกูล เพาว่าเราไม่รู้จะเปลี่ยนร้ายให้เป็นดีก็เป็นความไม่ดีอีกร้อยอย่างที่เกิดกับคนคนหนึ่งไปกระทบกรเทึงกับเสียงอื่นๆ อ, น อ, นอกนีกมากมายต้องม่เกิดการเดือดร้อนสับปสิ่งทั้งหลายมันจึงเป็นการถูกต้องที่สุดปฏิบัติธรรมคือเปลี่ยนร้อยเป็นดีมีสติเนี่ยนะ มีวิธีปฏิบัติอยู่มีหลักปฏิบัติอยู่ทำตามธรรมปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติตามวินยัยมีวินัยเป็นการใช้ชีวิตมีชีวิตเป็นระเบียบวินยัยจะใช้ก่อใช้ใจเป็นระเบียบวินัยให้เป็นธรรมทุกกรณีได้ เนื้อหลอดก็มาฟฝูงหัดตามพี่ผู้เจ้าสอนว่โนู้นคนง่ายนู้นเหลือนว่างไปกู่ตั้งหลายจังไปสู่โคนง่ายนู้นในป่าโน้นเมื่อไปแล้วก็ น, นั่งตั้งกายให้ตรงมีสติหางเฉเข้าหางเฉออก หรือคู่แข่งเข้าคู่แข่งออกมีแต่เอามาเป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรู้ได้กายใจของเราเนี่เราตั้งใจที่จะมีสติดูลมไหวใจเราไม่สติที่จะดูการเคลื่อนไหวแต่มันเห็นอีกหลายอย่างจะได้มีความรู้อีกหลายอย่างได้บทเรียนหลายหลายอย่างได้ประสบการณ์อีกหลายหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นละ ตกแ่งการศึกษาเป็นตระกัสรักการศึกษ า, ก า, กษาชีวิตที่มันเกิดจากกายจกากใจเราเองรูเฉยจนได้เขียนเป็นตัวหนังสือออกมาเรียกว่าพระตริปรีดกเปิดมือสีพันเรื่องที่อยู่ในการในใจเราเนี่ยจนฝ่ายกุศลคือความไม่ดีเป็นฝายกุศลคือความดี ในอกุศลน้องก็มีกุศลเวลาเราปฏิปธรรมเาเจอสิ่งเหล่านี้เลอทีเดียวมีความเพียรคาเพียรคือมีสติและอกุศลต้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้น แล้วอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เกิดขึ้นอีกสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอีกกุศลตอนใดที่เกิดขึ้นก็ให้มันเจริญมากขึ้นอีกแล้วก็สร้างสติก็ได้ดังบาดทัดหลังพลิกยกมือขึ้นก็ดลู่นี่วิธีถ้าสร้างกุศลรู้ฉัเข้ารู้สึกเยียดฉันอกรู้สึก ได้ความรู้จากกรรมฐานจากวิธีการที่พระเจ้าตรัสอนเหมือนกับเดินตามรอยพระองค์เห็นลอยเห็นล่องลอยอยู่นะตรงไหนหลงโอ้โั น, นี่พระเจ้าเคยหลงตรงไหนทุกตรงพระเจ้าเคยคงจะมีทุกจึงได้สอนพวกเรา อะไรที่มันขวงกันทำให้เราเสื่อมอะไรที่มันทำให้เราเจริญเราก็จะเห็นที่มันแสดงทั้งกาทั้งใจเราจะได้เพียรมันจะศึกษามันแต่ตั้งสติดีๆจะได้เห็นดีแยบคลายก็ตื่นรุ่น มันเกิดอะไรขึ้นกับกายจักใจเราก็จะได้รู้ความรู้สึกตัวนี่ไม่ได้ออกเลี้ยวออกเหลยงออะไรเงื่อไม่ไหลไรเกิดขึ้นมากรบรู้สึกตัวสาจอดเข้าไปเพิ่มเข้าไปแทรกหลงไปแม้มันลิบหลีไม่มากเวมกับความหลง แต่ว่าแชกลงไปแชกลงไปแล้วก็เด็นทางไปเรื่อยเยจริญไปเรื่อยมากขึ้นเรื่อยๆราจะไปตามมันก็ไปได้เรื่อยๆลู่ไปเรื่อยๆลู่ไปเรื่อยจอมมัทฐานช่วยไปเรื่อยๆยกมือเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆผึกไปเรื่อยๆตองไปเรื่อยๆ อกุศลก็ย่อมพ่ายแพ้ทุกอย่างทมก็ย่อมชนะอธรรมเสมอไปอย่าโทษโถยมันมีความชนะตรงที่มันคุกคามเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่ชนะเลยสิ่งที่มันเกิดกับกายใจเราเนี่ยชนะทุกอย่างถ้ามีเจติตินะ ชนะความหลงด้วยความรู้สึกตัวนี่นัค่คือคือชนะตัวเองเนี่การชนะตัวเองเนเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะความทุกข์คือความรู้สึกตัวนี่มันคือชนะตัวเองพระเจ้าชนะเสริญบุคคลที่ชนะตัวเองอตาหาไว้คิตังเฉยอชนะตัวนั่นแหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ชนะคนอื่นน้อยค้างปันหนไม่เท่าชนะตนแม้ค้ังเดียวจึงพากันปฏิบัติตามทำให้สมควรแก่ทำก็สมควรอย่ารีดแรงงานจนเกินไปไม่หลับไม่นอนมันจะเข็ดหลับเป็นเหมือนกันนะการมีสติไม่ต้องรีดแรงงานนั่งยิ้มยิ้มเล่นนอนเล่น ถ้าทายพลเล่เิอยู่อะไรทีนน่บทไหนก็ได้สติไม่ใช่ทุกอรีบทไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะการเดินจงกรมการสร้างจังหาะหัดใช่นอกรูปแบบว่ายิ่งจะดีใหญ่เริมหลงมาอยู่ในรูปแบบของการเดินจงกรมมันก็มีหลงได้ทุกกรณีแล้วก็มีสติให้นอกรูปแบบ หรือถ้าถ่ายมันดูเย่ยะ้อ ย, ะยะมันดูเยอะเยือมันดูเคยมีความรักความชังอะไรขึ้นลองคิดไปลองหูัมันไปไม่ได้ถ้ามีจิตใจนะมันบังคับเตียงยิ่งกันเบาคุมขืนเตียงไม่ได้จะบังคับไหนคนนี้น่ารักนะคนนี้น่าเกลียดเนียมันไม่เป็นมันไม่ไปหรอก มันเคยไปแต่ว่าเมื่อเรามีสติมันไม่ไปแล้วมันอ้ายจึงท่าถายลุยลุยโยเยเยีย่ยจิเลตมหาแต่ก่อน ม, อมันจะยเยเยี่ยมันหมองเข้าไปเราเลยคิดได้เกิดขึ้นที่กายจิตใจแต่พอเราเนี่ฉากที่ดีกว่าใชจภูมิดีกข ủa เนื้อข ủa โยเยเยี่ยมันเล่นก็ได้ เราอยู่ที่ปลอดภัยเราจะเล่นกับเสือกับงูก็ได้พี่ของที่มีพิรมีพลปฏิสัมมชัญญะที่มีในกายในใวิชากรรมฐานเนี่ยเป็นวิชาที่มีชัยภูมิที่ดีเพื่อจะเอาชนะข้าศึกได้ทุกทุกอย่าง มันมีบทบาทดีกว่ามันมีจิตใจในากาวดียิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการนั่งใจเป็นใหญ่ที่สุดในการ น, นั่งใจเมก็ผู้เจ้าสอ น, นติตปัญญา น, นี่เหมือนลอยเท่าของชา้าง ลอยเท่าสัตวยืนมารวมลงที่หลอยเช่าของช้างได้ทุกสัตว์แต่เมื่อมารวมลงแล้วก็เป็นหลอยเท่าของช้างหมดลอยเท่าของสัตยืนก็หาย ไ, ไปหมดจสตีก็เหมือนกันเราก็มาลงที่รู้สึกตัวความหลงคือลื้สึกตัวความทุกข์ก็ ค, คือความรู้จึกตัวความโกรธคือความรู้จึกตัว ความเงาห่หนอนคือความรู้สึกตัวความคิดพุ่งซ่านกับเรารู้สึกตัวทางที่มันไม่ดีชักจ็มาลงที่ความรู้สึกตัวเป็นรอยของเท่าช่างไปเลยกินได้ทุกอย่างมาเป็นรอยเท่าช่างหมดนั่นป่านนี้นะทำที่เราปฏิบัติทําไมทําไม่ ไ, มได้จึงงัดใจแนละ้วผู้ที่ เป็นหมู่เป็นมิดมันใจในเรื่องนี้มากเพราะมามันมีอยู่ภาษาทมภาษาใจที่เราลู้กันหน้าอยู่บางคนก็พูดให้ฟังว่ามันคิดมันไปมันเกิดแล้วชาเกิดนีมิดมันไปโน่นไปนี่เอ อ, อย่าหลงกับู้สิกตัวซะ เหมือนสมัยนั่งอยู่กูหลงนี่าอาจารย์รูปหนึ่งเกิดนั่งสมาธิเกิดนีมิีขึ้นมาเมือเกิดนี่มีขึ้นมาเกิดจิตใจล่องรอยจากกายไปไปดูโน่นไปดู น, น, ดนี่ไปดูเพื่อนเห็นเออ น, นั่นนอนอยู่ เห็นคนนี่นอนอยู่มัวจะหลับแต่ไหลก็อยู่คอยคิดสงสารจะช่วยเหลือทาไมไปมัวจะนอนอยู่นั่นเห็นคนมันเห็นเพื่อนเห็นมิเห็นปดพภะสงที่อยู่ในวัดบายออกไปช่องเที่ยวไปดูคน น, นั่นคนนี้เอาไปมาจะกลับมาก็กลับไม่เป็นเนยะก็ไปกันจะกลับไม่ได้จะกกลับ มันไปแต่เพื่อแต่เพื่อก็จะกลับมาเขากลับไม่เป็นเขากลับไม่เป็นการทำกระจนเข้าจอนเข้าก็าามาเคลื่อนไหวมือดุกพลิกมือขึ้นลงมือขึ้นลุกมือขึ้นส่ายจังหวะรู้สึกตัวรู้สึกตัวขึ้นมาก็กลับมาได้เออมันก็เป็นอย่างนี้ มันใหญ่มันใช้ได้จริงสตินี่โดยเฉพาะกรรมฐานเนี่ยดึงกลับมาได้หลงขนานกลับมาได้กลับมาได้ยะไปบางทีมันก็เกิดนิมิตเกิดปิติเกิดวิปัชนูเกิดจินตยานเกิดวิปราาขึ้นมาเห็นผิดเป็นถูกรู้ว่าตัเงป็นคนศักดิ์สิทธิ์ซะแล้วก็เพี้ยนไป อย่าไปแบบนั้นกลับมารู้สึตัวกลับมารู้ตัวเพราะเราด่วนสายด่วนถ้าจะฝึกแบบนั้นก็ได้แต่ว่ามันเนิ่นช้าฝึกแบบนี้มันเป็นสุขาวิปัสสโกผู้เจริญนิพพาสนาร่วนล้วนครอบงำได้ทั้งหมดเหมือนสติปัฏฐาน เป็นก ร, รมฐานที่ใหญ่มันออกไปตามบัพพะต่ า, างๆแต่เป็นสติปัฏฐานทั้งนั้นไม่ใช่เกิดจากอันอื่นแต่ในบัพเพิ่ยแยเน่านร้วนแต่เป็นสติปัฏฐานทั้งนั้นคือสติทั้งนั้นเรามีสติปรัญการ ใ, ใจทั้งนั้น สติไปอยู่กับวัตถุเจงของไม่ใช่สติภปยในกายสติภาใน จ, จิตใจมันสแสดงมาท้งกายมันแสดงมาทั้ ง, ง, ง จ, จิตใจเที่ว่าสติปัฏฐานที่มันเห็นกายเห็นใจเปลี่ยนที่มันไม่ดีให้เป็นดีที่เกิดที่กายที่ใจสิ่งไม่ดีสิ่งมันไม่ดีเกิดกับกายกับใจมามีสติเปลี่ยนให้เป็นดีเป็นถูกบมด ดีว่าสติปัฏฐานเราดรู้เห็นความรู้ที่เป็นภาษาขอจสติคือสักตรรวภาษาของสติเมื่อเป็นความรู้เมื่อเป็นคำพูดก็สาาัตธวร สติก็อาศัยกายเป็นที่ตั้งเฉยเฉยไม่ใช่ไปอยู่กับกายอาศัยจิตใจเป็นที่ตั้งความรู้สึกตัวเฉยเฉเพื่อให้เพื่อได้ใช้ให้เกิดความรู้สึกตัวแต่ว่าใช่รูปเช่นนามกายใจนี่เป็นรูปเป็นนามเพื่อใช้ให้มันเกิดความรู้สึกตัวเท่านั้นความรู้สึกตัวที่เจ้ากายเอาใจไปใช้ให้เกิดความรู้สึกตัวมันเป็นมรรคเป็นผล ก็ใช้การใช้ไม่มีความรื้อถอ น, เ ป, นเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นตัวเป็นตนต่อสของสติหรือเ่าสักแต่ว่าไม่เป็นมีอะไรที่มันตั้งไม่ได้ถ้าสักธรรว่าไม่มีที่ตั้งของสิ่งต่างๆสักแต่ว่า ไม่มีอะไรมันตั้งตรงนี้ได้แล้วก็เห็นไม่เป็นเพราะว่าที่จักแต่ว่าคือมันไม่เป็นเมื่อมันไม่เป็นอะไรจะให้มันเป็ี่ยนล่ะเอาอะไรมาเป็นสุขเอาอะไรมเป็นทุกข์ไม่มีอะไรอยู่แล้วมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วเมื่อมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วจะมีอะไรให้เป็นสุขเป็นทุกข์ก็ไม่มีไม่มีที่ตั้งแล้วก็ยิ่งใหญ่ เอามันสัจธรว่าหมดแล้วความแก่ความเจ็บความตายก็ความพิษสักธรรว่าแล้วก็สักธรรว่าเป็นอาการธรรมชาติไปทุกข์เพระความทุกข์มาเราเจ็บเพระความเจ็บสักธรรว่าทุกข์สักธรรว่าเจ็บสักธรรว่า อ, อะไรต่างๆ ม, มันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนมันก็ไม่เป็นอลา ถึงจุดหมายปลาทางภาวะที่ไม่เป็นอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจคำตอบที่สุดยอดที่สุดคือไม่เป็นอะไรกับมันแล้วก็ยิ่งใหญ่หรือ ว, ว่าชีวิตสุดยอดเป็นมงกฎุฎมงกุฎธรรมก็ว่าได้เข้าไม่ถึงตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ก้มค่าน้ามนมพ่อแม่เลี้ยงมาก่มค่าทุกอย่างในโลกในแผ่นดินนี้ที่อยู่ในโลกนี่เมื่อไม่เป็นไรก็มีอะไรที่เป็นอิสระก็ความช่วก็เละแต่เพืตเพือความดีก็ทำปต่เพืต่เพือ ชั่วหมยทอดีทําไปตะพุทธะพืนเกิดความดีขึ้นความชั่วก็หมดไปหมดไปความดีเกิดขึ้นมาความดีเกิดจากคนคนหนึ่งก็มีมากมายแต่ความชั่วเกิดจากคน้นึงก็มีมากไปไปทางนั้นีนว่าปฏิปธรรมในว่ารับผิดชอ ตัวเราก็เท่ากับรับผิดชอบญาติรับผิดชอบโลกก็ว่าได้อุเจ้าทังว่าญาติตาจียาประโยชน์ต่อญาติโลตาตาจียาประโยชน์ต่อโลก ทัศน์จีเดียประโยชน์ต่อประชาสังคมทำมาทัศน์จะเดียประโยชน์ต่อธรรมลงสู่ความเป็นธรรมทั้งหมดชีวเป็นธรรมนั้นเราจึงจำมด้ทุกคนเวลามันหลงก็รู้ได้ทุกคนไม่ให้หลงเป็นหลงให้หลงเป็นลูกก้าวไปจากแบบนี้ก้าวแบบนี้ไปเรื่อยๆไปอะไรก็นลูกไปลูกไปลูกไปลูกไ ป, กไปมั่นใจ อ๋ออันนี้ก็ส่งความใจเวลานลกับพร่อเมอกัน